เขาจเจริญกุศลมาเพื่อจะมาบรรลุวิธีนี้หรือไม่และเป็นเหตุซ้ําเติมเข้าไหมเนี่ยทำให้เขาออกนอกทิศนอกทางมากขึ้นไปสร้างเหตุปจัจจัยทําแค่เขาหลงทางมากขึ้นหรือไม่ไอ้ตรงนั้นก็ต้องระวังเลยเพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าฉะนั้นการทําคําสอนตามตามคำสอนพระเจ้าเลยเลยสะดวกเป็นเรื่องปลอดภัยอย่างมากเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะจันลงคําสอนขพระเจ้าให้คงอยู่ต่อไปชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ ที่นั่นก็คืออย่าไปคิดเองว่าทําอย่างนี้แล้วจะทําให้คนปฏิบัติลง่ายนี่เปการคิดเองอย่างนี้เพราะความคิดของเราที่สุดจริงๆก็บกพ่องเยอะเพราะเราไม่ใช่พระเจ้านั่นแหละฉะนั้นอย่าไปคิดเองว่าถ้าเราจะย่อคําสอนอย่างเนี้หรือเราจะมามามาสรุปหรือว่าจะใช้วิธีแบบนี้แหละมันสะดวกแก่คนยุคนี้การจะใช้ศัพท์อย่างนี้แหละง่ายดีนะ เพราะว่าสับอย่างนี้ยกลัวคนยุคนี้จะฟังไม่เข้าใจแล้วอะไรเงี้ยงนั้นแต่เราจะบอกว่าศัพบนี้สอสงเคราะห์เขาตรงนี้ก็ต้องบอกว่านี่เป็นความเห็นเป็นศัพท์ของเราที่ใช้แต่ว่าจะมายึดโยงกับคําสอนที่แท้จริงยังไงนั่นก็ว่าไปตรงนี้ดังนั้นถ้าทําอย่างนี้เซ่ก็จะสบายใจ ก, ก, ก็เราก็ไม่ถือว่าเราก็ให้ธรรมะที่ไม่วิปลิตด้วย ก็เป็นเหตุแห่งการที่เราจะได้สิ่งที่ไม่วิปลิตจะได้เป็นปจัจจัยในการบรรลุสะดวกทั้งนั้นตนัวเองก็หลงทิศหลงทางเรื่อยเลยตรงนี้อันตรายมากเลยพวกกาวธรรมก็ต้องระวัง